ฉันมันคิดไปไกลฝันเอาไว้อย่างดีว่าความรักของเราจะมีตลอดไปในฝันของฉันมีเธอข้างกายจับมือเดินกันไปใครก็อิจฉา t o y your... o u a n f e t มาการของคนที่รักกันหมดใจเป็นภาพที่จินตนาการไวตั้งแต่วันที่เธอหันมาสบตาดูดีทุกๆอย่างอีกที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา